ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกดรธนูทดแทนคุณคณบดีคณะศิลปศาสาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพและการผสมเครื่องดื่มทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหการรมบริการอีกทั้งยังได้เรียนรู้กระแสความนิยมของการผสมเครื่องดื่มสมัยใหม่ในปัจจุบันโดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมกว่า80คน ที่ห้องชมพูพันทิพย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราทั้งนี้สาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดโครงการส่งเสริมวิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะต่างๆในการจัดงานสัมมนาการผสมเครื่องดื่มให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการทำโครงการไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีการเสวนาในหัวข้อการเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากคุณสุวรรณศรีวิทยากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่มผสมพร้อมด้วยการสาธิตการผสมเครื่องดื่มสมัยใหม่ซึ่งการจัดโครงการนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการโรงแรมและวิชาการดำเนินงานบาร์และการผสมเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการรับความรู้และปฏิบัติได้จริงของนักศึกษาดาริสาตระ ก, กูลเก็กรายงานกรมการค้าต่างประเทศคาดด่านบ้านผู้น้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จปลายปี2562รับท่าเรือทวายเพิ่มการค้าได้อีก15เปอร์เซ็นนายวัรชัยวราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานณนะด่านบ้านผุน้ำร้อนอําเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าการก่อสร้างด่านดังกล่าวมีความคืบหน้าไปร้อยลวกว่า50แล้วคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปีนี้ลองรับท่าเรือน้าลึกถวายในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีช่วยเพิ่มการค้าการลงทุนในพื้นที่ลดอุปสรรคต่างๆและหากด่านบ้านพุทน้าร้อนก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าการค้าบริเวณด่านจะโตขึ้นร้อยละ15จากปัจจุบันที่มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ300ล้านบาทต่อปีเพราะฝั่งทวายมีศักยภาพสูงในการส่งออกสินค้าอาหารทะเลสําหรับการค้าชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดกาญจนบุรีปี2560มีมูลค่า 64%, หมืพัน